ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุรชนทั้งหลายการบรรยายประสูิในวันนี้เนื่องจากเป็นช่วงระยะที่จะเข้าเดือนวิสาขาบูชาซึ่งเป็นเดือนที่มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่ถึงสองวันคือวิสาขาบูชาเป็นเดือน6และวิสาขาอัทมีคือแรมแปดข้ามเดือน8 ดังนั้นจะได้นําเรื่องพระไตรบิดกชุดหนึ่งที่เราเรียกว่าพุทธจริยาคําว่าพุทธจริยานั้นคือการประพฤติปฏิบัติของพระพุทธเจ้าในพระชาติที่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าลักษณะของเรื่องนั้นจะที่จริงก็คล้ายๆกับพวกชาดก แต่ว่าพุทธจรรยาเน้นหนักไปในด้านการประเพณบา ร, รมีของพระองค์โดยตรงหลักเหล่านี้มีข้อความมันเป็นเบื้องต้นคือเป็นเหตุให้ทรงแสดงเรื่องเหล่านี้จงตามปกติแล้วท่านจะสแส่งเป็นสามตอนตอนแรกเขาเรียกว่า ทูเรนิทานคือเรื่องไกลลิฟคือนับตั้งต้นมาแดนสี่แสนในสมคายคือเรื่องว่าไกลลิฟแล้วอวิทุเรนิทานนั้นก็คือเรื่องที่ไม่ไกลนับตั้งแต่จุติจากดุสิตสวรรค์ลงมาปฏิสนธินในคันของพระนางสิริมามายาเรื่อยมาจนถึงก่อนการศัสรุก็เรียกว่าอาวิทูเร น, นิธานคือเรื่องที่ไม่ไกล แล้วก็สันติเกณิทานคือเรื่องเรื่องใกล้หรือเรื่องภายในภายในพระชาตินี้ก็นับจากคืนที่จัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่ว่าเรื่อง <c oughs> พุทธจริยานั้นจะเป็นเรื่องตุเรนิทานคือเรื่องไกลมากมีข้อความอันเป็นเบื้องต้นว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเราจัสรุแล้ว ระทับสเสวยบิมุติสุขอยู่ในที่ต่างๆเจวันและในสุก็ตัดสินพระไทยแสดงธรรมะที่พระองค์จัดสรู้แก่พระปัญจวัคคีจนได้โปรดพระยาศะสหายของพระยาศะพัทวัคคีและปุราณชดินจนเสด็จไปกรุงราชเชื้อครึโปรดพระเจ้าพิมีสารพร้อมด้วยบริวารแสนสองหมื่น 2, คนและนำพระสารีบุตรกับพระพุทาณะออกบท พระเกติคุณของพระพุทธเจ้านั้นเรื่องลือไปในที่ต่างๆเพราะเป็นพระาศาสดาพระองค์ใหม่แล้วยังยังหนุ่มแน่นประกอบกับเป็นกษัตริยสุคุมารชาติอาคารเหล่านี้ก็แพร่สะพัดไปในส่วนต่างๆพระเจ้าสุโธธนานั้นมีพระประสงค์จะให้พระจูรสเสด็จแต่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่เสด็จสักจีหนึ่ง เลยส่งอมัดผู้ใหญ่ให้มาทูลเชิญเสด็จแต่หมัดเหล่านั้นก็มาถึงฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ออกบวชในพุทธสํานักหมดคือมากันตามบ้านนั้นตั้งสิบชุดชุดหนึ่งก็มากันประมาณพันคนบวชกันหมดก็ดูแล้วคล้ายๆกับกลุ่มกบินละพัทสมัยนั้นคนเกิดมาเพื่อบวชโดยเสด็จพระพุทธเจ้า พอปลายพุทธสมัยแล้วในกรุงกบินลพัทน่คนน้อยถิมชีคือบวชกันหมดโดยคนดีๆนานในที่สุดก็ส่งการุธายีมหาหมัดม า, รมาพระการุธายีก็ขอพรพิเศษเว่าท่านจะทูลเชิญเสด็จแต่ท่านจะขอบวชด้วยพระเจ้าสุโทธทนะก็ประทาน อนุญาตและในที่สุดท่านก็ได้บวชบรรลุอรหันต์เป็นพระอรหันต์เมื่อถึงเวลาก็กราบทูลเสด็จพระพุทธเจ้าสู่กรุงกบินลพัฒน์ระยะทางจากกรุงราชครือถึงกระบินลพัฒน์นั้นท่านบอกว่า60สโยชนใช้เวลาเดินทางสองเดือนเป็นการเดินเป็นขบวนคือมากันเป็นหมื่นเพราะงั้น อ, อ, อาหารการกินที่พัก ก็มีปัญหาไยสารพัดก็ต้องกระจายบินถบาทเดินกันมาเดินก็วันละเดืองยอแต่ว่าพระญาติทั้งหลายที่เมาเฝ้านั้นสแสดงอาการกระด้างกระเดืองโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากเป็นคนรุ่นพี่พระพุทธเจ้าก็ไปแอบหลบอยู่ข้างหลังเด็กๆไม่ยอมถวายบังคม พระพุทธเจ้าเห็นอาการเช่นนั้นก็ทรงเข้าสมาธิเอาเจตุตฌานเป็นบาทแล้วก็ลอยขึ้นไปอยู่บนอากาศเป็นตำานองเดินจงกรมอยู่ข้างบนคล้ายๆก็เอาฝุ่นคิดจากพระบาทลงบนหัวพวกนั้นอะไรๆพระเจ้าสุโทธทนะเห็นอัศจรรย์ือเลื่อนลอยขึ้นไปอยู่ข้างบนได้แล้วก็เดินอยู่ข้างบนได้ก็ถวายบังคม พระญาติเหล่านั้นเมื่อเห็นพระเจ้าสุโทธทนาะถวายบังคมก็ถวายบังคมตามแต่ในขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จแสดงปาฏิหาริย์ทรมานพวกพระญาติเหล่านั้นคือภิกษุที่โดยเสด็จเป็นพวกชาวกบินลพัทตั้งหมื่นรูปที่ไปที่บวชกันไป10สิบุดภาษารี่บวชพระโมคคัลลานะไม่ได้ตามเสด็จกำลังอยู่ที่กรุงราชสุ แต่ก็ท่านรู้ท่านเห็นพระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์ดยที่ประจักษ์ุภท่านก็มาพร้อมด้วยบริวารเหมือนกันคือมาทางอากาศก็เรียกว่าตัดม้ข่มน้ำก็เป็นการใหญ่มาทางอากาศก็ปราบทูลสรรเสริญปาฏิหาริย์ต่างๆที่ทรงแสดงแล้วเพื่อคือว่าหลังจากนั้นก็มีฝนบกรพัชตกอย่างที่ท่านทั้งหลายเคยอ่านในเรื่องเวสสันดร ผลบกรพัชตกเป็นผลสีเหลือง ต, ก, ตกลงมาคือคนจะให้ถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่ถูกไม่ต้องการให้ถูกก็ไม่ถูกเป็นเหตุที้พระเจ้าทรงสแสดงเรื่องพระเวสสันดรหลังจากสแสดงพระเวสสันดรจบแล้วประสาริบุตรพวกพระญาติวงศ์ก็บรรลุมรักผลกันคือนั่นก็นเป็นตอนหนึ่งนะครแต่ทีนี้ประสาริบุตรท่านอย่างรู้อะไรของพระพุทธเจ้าเยอะเหลือเกินะ ทั้งธรรมะทั้งประวัติอะไรต่ออะไรในเบื้องหลังคือในชาติก่อนแต่ก็มีมากที่ท่านยังไม่รู้ท่านก็กราบทูลถามถึงว่าการที่พระพุทธเจ้าสามารถา จ, าจะรู้สามารถมีอภินิหารแล้วก็สามารถที่แสดงอะไรต่างๆได้คือแสดงนั้นเรียวกว่าแสดงคราวนั้นเป็นรูปยมกปฏิหารนะฮะยมกปฏิหารซึ่งแสดงเพียงสองคราวเท่านั้นเองตลอด45่ปี พระชายาุก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้ารับสั่งว่านี้เป็นเรื่องของบารมีธรรมที่ตถาคตได้บำเพ็ญมาในชาติต่างๆซึ่งการบำเพ็ญบารมีของตถาคตนั้นไม่ได้มุ่งเป้าหมายที่อื่นคือมุ่งที่ประสัพพัญยุตยานอย่างเดียวไม่ว่าทําอะไรก็ตามจะทําบุญดักบัดจะให้ทานจะรักษาศีลจะทําอะไรก็มุ่งสัพพัญญุตยานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเอง เพราะงั้นจึงทำให้พระองค์ได้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติเหล่านั้นพระทาริบุตรก็กราบทูลถามถึงพุทธจารยาที่พระองค์ได้สรงบำเพ็ญมาในอดีตพระองค์ก็เริ่มเล่า เ, าเล่านั้นก็เป็นการเล่าไม่ได้เรียงลำดับนะไม่ได้เรียงลำดับว่าชาติที่หนึ่งที่สองที่สามแต่หมายความว่าเล่าเรื่อง ก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเริ่มต้นด้วยเรื่องกิตติดาบทอกิตติดาบทมีข้อความโดยสรุปในลักษณะาการแสดงนั้นทรงแสดงเฉพาะตัวคาถาเช่นเดียวกับเรื่องเทราเระคาถาเทรีคาถาเปตวัตถุวิมานวัตถุธรรมบทอะไรที่เคยเล่ามาให้ฟังหะือด้วชาดก จะทรงแสดงเฉพาะคาถาคือคําประพันธ์เท่านั้นเองแต่ว่าเนื้อหานั้นทรงเล่าแล้วก็พระที่ประชุมนั้นท่านก็จํากันเพราะเรื่องเล่ามันก็จําง่ายนะฮะเล่าทีเดียวก็จำจาได้แล้วส่วนเนื้อหาที่เป็นภาสิทธ์นั้นต้องท่องเอาไว้เพราะว่ามันคลาดเคลื่อนไม่ได้ส่วนประวัตินั้นจะตกหล่นไปบ้างนิดๆหน่อยๆก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเพราะเพียงเป็นเพียงเครื่องประกอบเท่านั้นเอง ก็เล่าว่าในสมัยหนึ่งพระองค์ได้บังเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์ชื่อว่าอากิติเป็นพราหมมหาสารมีฐานะร่ำรวยมากเมือ่อท่านโตเป็นคือว่าพอท่านเดินได้แม่ก็คลอดลูกอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเป็นน้องสาวต่อมาพออายุสิบห้าปีก็จบศิลปศาสตร์ในยุคในสมัยนั้น เมื่อมารดาบิดาตายไปแล้วตัวเองก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องทรัพย์สมบัติแต่เจ้าหน้าที่ก็นําเอาไอ้บัญชีต่างๆนี่มาเสนอไอส้อไอสมบัตินี้ของปู่ทวดไอ้นี้สมบัตินี้ของปู่อ้นี้ของพ่อไอน้ออไอนี้ของแม่นี่ญาติฝ่ายพ่ อ, อนี่ญาติฝ่ายแม่ที่ที่ที่บท่านได้รับะมานั่งดูมรดกแล้วออกจะตาลายคือไม่รู้ว่าจะเอาทําอะไรก็มานึกสงสารญาติผู้ใหญ่ทั้งหมด ว่าทำไมไปเก็บรวบรวมอะไรไว้มากมายไก่กองอย่างนี้ก็ไม่รู้และในที่สุดตัวเองก็ตายไปสร้างความภาระให้แกบุคคลอื่นจะต้องไปเฝ้าทรัพย์สมบัติเหล่านั้นให้แกท่านอีกก็คิดว่าตัวเองจะต้องเอาทรัพย์สมบัตินี้ไปด้วยวิธีเอาทรัพย์สมบัติไปนั้นก็คือการบริจาคให้เป็นฐานใช้เวลาอยู่นานหลายวันนะฮะกว่าจะบริจาคหมดเมื่อบริจาคหมดแล้ว ก็วชวนน้องสาวออกบวชไปเลยออกบวชคนรู้เพราะว่าเป็นพระมหาสารและก็เป็นคนมีชื่อเสียงรู้ว่าท่านกิตติออกบวชเป็นดาวบวชก็ออกบวชตาม <c oughs> ท่านก็ขึกปืออบรมลูกศิษย์จนบรรลุฌานสมัยนั้นถือว่าฌานมันก็สูงสุดบริษัทบริวารห้อมล้อมกันเต็มท่านก็มาคิดว่าเออเราเนี่ย ต้องการจะหลีกหนีลาบส ก, การะชื่อเสียงการแวดล้อมของบริษัทบริวารต่างๆนี่มาเจอมากกว่าเดิมอีกก็เลยมอบหมายให้สิทธิ์ผู้ใหญ่ปกครองบริวารโดยเองก็หลบเข้าป่าไปอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งไปอยู่ในในเมืองหนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับไปอยู่ที่เมืองก่อนคนรู้ข่าวก็มารอบล้อมทั้งก็ให้การอบรมศึกษาจนได้บรรลุรูปไปฌาน ก็เกลือนกันอีกลาบสการะบริษัท์บริวารคนห้อมล้อมมาไม่ต้องเป็นนั้นกินนนอนกันในสุดก็ต้องหลบอีกหลบทีนี้ไปอยู่ที่เกาะเลยไปอยู่ที่เกาะเพื่อบำเพ็ญบา ร, รมีเรียกว่ามเกือบครบทุกบา ร, รมีนะโดยเฉพาะคือขันติสัจจะอธิฐานอุเบกขาเมตตาอุเบกขาแล้วก็ปัญญาทาน ศีลได้ธรมะแล้วนะฮะก็เกือบครบอ่ะบารมีนั้นเอาบําเพ็ญคราวเดียวเกือบครบแล้วก็เน้นที่ตัวมักน้อยเน้นหนักที่ที่มักน้อยคือความสันโดษเออไม่ใช่คือความยินดีด้วยของที่มีอยูอ่แม้แต่ว่าของจะมากก็เอาเฉพาะน้อยมันก็ปนการระหว่างมักน้อยกับสันโดษเออ กินเฉพาะใบหมากเม่าไม่ทราบเป็นยังไงกินได้ที่นี่มีขายหรือเปล่าก็ไกินเฉพาะใบห ม, มักเมา่าต้มน้ํากินใบมันอะไรถึงแม้จะหมดทั้งก็กินอยู่แถนั้นนหะแล้วก็บําเพ็ญตบะคือใช้ความเพียรในมากใช้ความเพียรมากแล้วก็เข้มงวดที่ศีลเน้นที่ความเพียรกับขันติจนเดือดร้อนถึงท้าสกะเทวราช ก็เห็นว่าเป็นอำนาจของท่านอากิติดาบทก็ต้องการจะทดสอบว่าอากิติดาบทขนาดว่าไอ้กินใบหมักเมาอย่างเงี้ยแล้วๆจะยินดีให้ทานหรือเปล่าท่านก็ลงมาด้วยเพศของพรามอากิติดาบทกำลังต้มใบหมักเม้าจะกินอยู่พอดีพอพรามโผล่มาถึงก็สแสดงการขอท่านก็ให้ ตัวเองก็ไม่ไม่ได้กินอะไรวันนั้นดวงเช้ามาอีกก็ให้อีกรุงเช้ามาอีกก็ให้อีกสามวันนะตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้กินอะไรเลยทั้งสามวันนะแต่ก็อยู่ได้ด้วยปีติทาสกะก็แสดงองค์ให้ปรากฏว่าทําไมจึงต้องจึงต้องทำทำตนทรมานตนในลักษณะนี้ท่านก็บอกว่าเพื่อจะต้องการขัดเกลา จิตใจให้ไม่รู้อำนาจแก่กเลสเก่กก่ความต้องการที่บังเกิดขึ้นคือสามารถยางอัตภาพให้เป็นไปด้วยอะไรได้ก็ปรเป็นไปได้ก็พอแล้วและในที่สุดท้าสกะเทวราธ์ก็เกิดเรื่อมสายก็ขอพรคือคือคื อ, ค อ, คอประทานพรให้ท่านขอพรในชั้นแรกนั้นคือขอพรยังเป็นวัตตะอยู่ถูกไหมวองก็หมุนวนอยู่ในวั ต, ตะแต่ว่ามีข้อแม้อย่างหนึ่งว่า ไอ้สิ่งตั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองบุตรพันยาอะไรต่ไรก็ตามเนี่ยจะต้องได้มาโดยธรรมและบุตรพันญานั้นจะต้องเป็นคนดีจึงก็ได้พรมาโดยลำดับแล้วก็ในที่สุดก็ขอพอรว่าไม่ว่าจะเกิดชาติดึงพบใดก็ตามให้ท่านยินดีในธรรมอยู่เรื่อยแล้วก็มุ่งโพธิญาณอยู่เรื่อย วงการเป็นพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยให้รักษาเจตนาลมนี้เอาไว้ได้แม้สภาพข้างนอกมันจะสับสนวุ่นวายยังไงก็ตามแต่ขอให้ท่านรักษาเจตนานี้ไปได้ทักะก็ให้ผ่อนตอนต่อไปก็ขออย่าให้ครบคนผ่านเอ้ยอย่าให้พบกับคนผ่านทักะก็เรียนถามเหตุผลว่าทําไมไม่ต้องการพบคนผ่านท่านก็ตอบว่าคนผ่านนั้น มันไปนแนะนำในเรื่องที่ไม่ควรแนะนำไปกระทําในเรื่องที่ไม่ควรกระทําเวลาใครตักเตือนแนะนำอะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธคนผ่านนั้นนำพาความเสื่อมเสียพาให้เพราะฉะนั้นขอให้ท่านอย่าได้พกบคนผ่านแล้วก็ขอให้ได้คกกับบัณฑิตเมื่อเท้าสก่ถามเหตุผลก็บอกว่าบัณฑิตนั้นย่อมแนะนาในเรื่องที่ควรแนะนาย่อมกระทําในเรื่องที่ควรกระทํา แม้ใครจะกล่าวว่ากล่าวอะไรก็ไม่ถือโทษไม่โกรธตอบและในที่สุดคําขอสุดท้ายก็กขอว่าพระองค์อย่าได้เสด็จมาอีกขออย่าให้ท้าสกาะเสด็จมาอีกวุ่นวายนะจุนจ้านคนก็จะอยู่เงียบๆ่าท่านหลบมานานแล้วท้าสกาะก็บอกว่าทำไมทำไมจึงว่าจะมาด้วยก็ไม่ได้ท่านบอกว่าท่านต้องการอยู่อย่างสงบไม่ไม่ต้องการวุ่นวายกับใคร แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าเมื่อเห็นทิพยะสุขเนี่ยฮะมันจะเกิดยินดีในทิพยะสุขขึ้นมาปรเดี๋ยวเทพบุตรมาเทพธิดามาอะไรอะเนี่ยเดี๋ยวไม่จะเกิดยินดีในทิพยสุขขึ้นอีกเลยเลยคลายใจจากไอ้ประชาพันยุตยานทศ ก, กัณฐ์อให้พรแล้วก็ขอร้องอย่าให้เทพบุตรเทพธิดามารบ ก, กวนอะไรท่านนั่นจะอยู่ของท่านเงียบ ในที่สุดท่านก็บำเพ็ญเพียรจนบรรลุจตุจิตฌานมีอภินยาเป็นโลกิยะนะฮะอันนี้ก็รั ก, รกษาได้อยู่ระดับเดียวนั้นนะก็ยังไม่ได้ขึ้นไปในสุดจุติไปก็ตายไปก็จุติเป็นบังเกิดในพรหมโลกแล้วก็สรุปชาดกเหมือนกันสรุปแบบเดียวกับในสมัยในพวกชาดกแต่สรุปเพียงสองท่านตอนนั้นน้องสาวหายไปไหนไหม ไม่ได้ปรากฏอยู่ในเรื่องเลยเพียงแต่ว่าออ ก, ออกบวชแล้วก็หายไปเลยก็บอกว่าเท้าสกะในคราวนั้นก็มาเกิดเป็นพระอนุรุธในชาตินี้ส่วนอิติดาบทก็มาเกิดเป็นพระองค์อาจากข้อความตั้งแต่เริ่มต้นมานั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายจะเห็นว่าประเด็นที่น่าศึกษาแล้วก็คนก็ข้องใจกันมากที่จริงยังยังไม่ถึงข้าเรื่อง จริยาบิดกหรอกคือการที่พระพุทธเจ้าไม่เสด็จมาโปรดพระญาติคนสมัยนี้ก็พูดไปในทํานองคล้ายๆพระพุทธเจ้าอักตรันยูไม่รู้คุณพ่อแม่แทนที่จะจัดสรุแล้วจะมาโปรดพ่อแม่มาโปรดพ่อซะก่อนก็ไม่ยอมเสด็จมาโปรดอันนี้คือความคิดมันก็ขึ้นอยู่กับใครคิดนะฮะขึ้นอยู่กับใครคิดใครมองปัญหาใครมีเป้าหมายในการทํางานเพื่ออะไร ถ้าจิตใจของบุคคลไดพัฒนาขึ้นไปอยู่ในจุดหนึ่งแล้วก็จะเห็นว่าในงานบางอย่างนั้นมันมีขอบเขตจำกัดที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คนอย่างจำกัดแล้วคนเหล่านั้นก็อาจจะทำงานอื่นซึ่งมันมากกว่ามีขอบข่ายกว้างกว่าแล้วก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลมากกว่านี้ก็ดูในระดับคนโดยทั่วไปมันก็จะเป็นอย่างนั้น เาะันคนบางคนสละครอบครัวสละความสุขที่ตนพึงจะได้ไปช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่นไปช่วยเหลือคนยากไร้อนาถาต่างๆด้วยไม่คํานึงทีตง่ตัวเองอันนี้ก็ถ้าคนบางคนเอาใจตัวเองเข้าไปวัดมันก็จะมองคล้ายๆกับว่าเป็นคนทิ้งลูกทิ้งเมียไม่เอาใจใส่ไม่ดูแลบ้านช่องก็ขึ้นอยู่กับการมองนะฮะอยู่ว่าใครเป็นคนมองใครเป็นคนพูดใครแสดงความเห็นเหล่านี้ ก็มีอะไรมีนิทานไม่ใช่นิทานอนะเรื่องจริงอะเรื่องจริงคนก็เล่ากันฟัง ว, ว่ามีเสี่ยวคนหนึ่งซึ่งซึ่งไม่มีเวล า, าพักผ่อนเลยมีเงินเป็นร้อยล้านเขาก็ชวนไปทอดกระถิ่นในที่หนึ่งแกก็เดินไปแกก็ไม่ยุ่งหรอกมีแต่ควักสตางค์จ่ายก็บอกจะจ่ายเรื่องอะไรแกก็ให้แกเรืยก็ไปถึงไปเจอคนคนหนึ่งเป็นคนแก่นั่งอยู่ริมแม่น้ําที่วัดเนี่ย นั่งไปก็ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไปแคะเล็บแค่เล็บเสร็จแล้วก็โยนทิ้งเออดีดลงแม่น้ำฮะดีดลงแม่น้านั่งมองอย่างนั้นเสร็จแล้วก็แคะเล็บก็ดีดลงแม่น้ำแคะไอไอ อ, อะไรดินโคลนอะไรที่เปื้อนๆตีนอยู่นั่นนะไม่ได้ล้างอะไรแคเกิดสงสัยตั้งแต่ช้าจนเย็นจะกลับแล้วเห็นไหมลุงนั้นอย่างอย่างนั่งอย่างนั้น เกิดตงสายก็แวะเข้าไปถามก็ลงทําไมไม่ทํางานล่ะก็ว่าทํามัาทำไมงานน่ะแต่แกก็บอกว่าทําไปแล้วก็ได้เงินอะ่ะเอามันทำอะไรงงินน่ะได้เงินแล้วจะได้ความสุขไงอยู่ต่อไปก็ไม่ต้องทํางานน่ะก็เนี้ยแกบอกว่าเนี่ย ก, ก็ไม่ได้ทํางานแล้วคือไม่ต้องทํางานอยู่แล้วแล้วเรื่องอะไรจะต้องไปตั้งต้นใหม่อีกอคือมันขึ้นอยู่กับการมองนะคร การมองของบุคคลบางคนอย่างที่เคยเล่าถึงนักปรชัปราชญาคนหนึ่งที่อเล็กซานเดอร์ไปพบอเล็กซานเดอร์จะให้อะไรตั้งหลายอย่างแต่เอาก็จริงแกขอให้อเล็กซานเดอร์หลบหน่อยคือไปยืนบังแดดแกต้องการจะพึ่งแดดนี่ก็ขึ้นอยู่กับทัศนคะการมองปัญหาต่างๆนี่ก็พื้นฐานใจของคนเป็นตัวกาหนดซึ่งบางครั้งเราก็แยกไม่ออกหรอกว่า จะพูดในแง่ของเขามันก็ถูกในแง่ขงเขาแต่ถ้าพูดในอีกระดับหนึ่งมันก็ถูกในระดับนั้นพระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงธทมตามอํานาจของอินทรีย์อาใยนะฮะอินทรีย์อัธยาศนะัยพื้นฐานทางสมาธิของคนเพราะนใครถึงก่อนคือใครพวกไหนแก่กล้าก็ไปนั่นก่อนอาจจะเลี้ยวรถคดเคี้ยวก็ไปก็ไปจะแสดงไปตามอํานาจ ของสิ่งทั้งสาประการ น, นี้เพราะงั้นเราเราจะพบว่าทรงเห็นอุปนิสัยบา ร, รมีของท่านปัญจวัคคีก่อนก็ไปหาปรญจวัคคีเอาเสร็จแล้วไปดูไปเห็นบา ร, รมีของอท่านพวกพระยสสะก็ไปหาพระยสสะพวกนั้นใกล้ๆหน่อยอที่สําคัญก็คือว่าย้อนขึ้นเหนืออีกตั้ง200กิโลนะฮะสองกว่ากิโลเพราะเห็นบา ร, รมีของพวกโบราณในชนินก็สเสด็จไปที่นั่น อาไปเห็นบารมีของพระยาพิมิสารก็เข้าไปในกรุงราชสุดซื่แต่ว่าบารมีของพระญาตินั้นยังไม่โผล่มาเลยก็ขนาดว่าไปไปแล้วนะฮะบารมียังยังไม่โผล่มาพร้อมที่จะรับธรรมะต้องใช้ปาฏิหาริย์อะไรต่างๆกันกว่าจะทรมานกันได้นี่คือพระพุทธเจ้าตึงเป็นการมองสัตว์โลกในแง่ที่ประสบทุกข์อย่างที่บอกแต่ว่าใครที่ ควรจะรับการช่วยเหลือก่อนก็จะช่วยเหลือบุคคลนั้นก่อนดังนั้นจึงเสด็จไปก็ดูแลก็ออกจะช้าไปหน่อยนะครับพระไปเข้ากรุงราชคฤห์แล้วกว่ากว่าจะเลี้ยวมาที่กรุงกบิลพัทได้ก็ประมาณพรรษาที่สามประมาณปีที่สามทีนี้ตรงนี้ออกจะเป็นปาฏิหาริย์อะไรอยู่เยอะนะฮะแต่อย่าลืมว่าเป็นเป็นพวกวิสัยคือพวกอาจินไต อจินไต่สี่เรื่องนั้นก็คือเรื่องอะไรเรื่องกรรมวิปากรวิสัยคือเรื่องอำนาจอิทธิพลของบาปของกุศลนี่หยั่งกันไม่ได้มันเป็นเรื่องรูด้ด้วยญาณแล้วก็ชาณวิสัยวิสัยของท่านผู้มีได้บรรลุฌานอิทธิวิสัยวิสัยของท่านผู้มีฤทธิ์ก็โลกจินตาเรื่องโลกเรื่องโลกใครใโลกวิจิตพิสดารยังไงใครสร้างโลกโลกเกิดเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่จะต้องรู้ได้ยากคือคิดเอาไม่ได้แร้วแม้แต่มัติเรื่องโลกในปัจจุบันก็ออกมาวิจา ก, กิจมติเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้ก็กำบังขวคว้าสแสวงหากันอยู่สำหรับนักวิจ า, ารณ์ปัจจุบันนั้นแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงในรูปของธรรมะมัิจิคือมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติธรรมดาโดยกฎเกณฑ์เงื่อนขธรรมชาติอันะที่บอกมาแล้วว่าเอวังธมโมเอวังภาวีเอวังอนัตติโตคิดบ่อยๆนะไอ้สามคำนี้ชักจะเข้าที คือมองอะไรมันเข้าสูตรนีหมดเลยไม่ว่าอะไรก็ตามเหมือนกับเกลือเนี่ยฮะเกลือธรรมชาติของมันก็เค็มอ่าใครไปไปกัดเกลือเข้าวก็ต้องเค็มเพราะอะไรเพราะภาวะมันเป็นมมีความเค็มนะใครไปกินเกลือข้าก็ไม่ล่วงพ้นความเค็มไปได้คนกินเกลือไม่เค็มแสดงว่าประสาทลิ้นเสียหมดแล้วแต่ถ้าองค์ประกอบยังมีอยู่แล้วก็ต้องเค็มทุกคน นี้ก็คือคือคือคือสูตรที่เป็นแม่บทแล้วเราจะไปกำหนดอะไรก็ได้จับอะไรก็ได้มันออกมาอย่างนี้ทั้งหมดเลยทาลองถ้าลอ ง, ลองคิดบ่อยๆเลยเอวังธรรมโมเอวังพาวีเอวังอนาติโตแล้วสบายมากเลยสบายมากเนว่าใครมาด่าเราฮะเราก็รู้เขาด่าเรื่องอะไรก็เอวังธรรมโมเอวังภาวีเอวังอนาติโตเขาโกรธขึ้นมาเขาก็ด่านะ มันก็ธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นภาวะมันก็เป็นอย่างนั้นบอกโกรธมันก็ด่าบ้างทําอะไรบ้างนี่ก็ดีขนาดนั้นบางทีบางคนโกรธมากกว่านั้นก็อาจจะปาหัวก็ได้ยิงก็ได้แทงก็ได้นี่ก็ดีแล้วขนาดนั้นะก็ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้เลยมันก็อยู่เป็นกฎตายตัวไปเลยก็แคเช่นเดียวกับกดเหล่าอื่นทีนี้เรามามองดูใน อะไรโล ก, กทัศน์ของคนไม่ใช่เราเอาตรงนี้ก่อนเอกตาพินีหารโรนะพวกอภินิหารเนี่ยอภินิหารแท้ที่จริงถ้าเรามองดูถึงความหมายถึงหลักการปฏิบัติมันเป็นอำนาจวาสนาบารมีอภินิหารนั้นเขาเรียกเต็มก็เรียกเอกตาพินีหารโรแปลว่ามีบุญญาธีการอันบุคคลเหล่านั้นได้สั่งสมอบรมกระทําเอาไว้ถ้าเราพูดในปัจจุบันคือคนมีวาสนาคนระับมีบุญคนมีบุ ญ, ค น, บญคนมีวาสนา แล้วมันมันมั น, ม, นมันทำอะไรสําเร็จในเรื่องที่คนอื่นทําให้สําเร็จพวกกตาพินีหาโรเหมือนพระเจ้าตากสินกู้ชาติเนี่ยพวกกตาพินีหาโรตอนนั้นน่ะพวกอภินิห า, ารตอนนั้นพระนารายเอ้ยพระเจ้าพระนเรศวรกู้ชาติก็บพวกกตาพินีหาโรพระนารายเกิดมาคนเห็นเป็นสีกองกระตาพินีหาโรนั้นน่ะนี่ก็คือลักษณะของอภินิหาร และแต่ว่าในที่นี้เราจะเห็นว่าปาฏิหาริย์ทั้งลูกศิษย์ทั้งอาจารย์ช่วยกันพระเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริย์คำว่ายามกปาฏิหาริย์คือทําเป็นคู่คู่เป็นการแสดงในเรื่องใหญ่คราวสองเรื่องเท่านั้นเองนะทรมานพระญาติครั้งหนึ่งกับทรมานพวกนักปวดนอกาศาสนาครั้งหนึ่งทาสองคราวเท่านั้นเองคําว่ายามกนั้นคือเป็นคู่เราจะใช้การเจริญกรรมฐานทีเดียวสองกรรมฐาน เ, เช่นว่า ได้ไฟออกทางตาซ้ายจะให้น้ําออกทางตาขวาพร้อมกันเอ่อปกติคนพระอาหารหันต์ทั่วไปทําไม่ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะเราต้องใช้เจริญกสินทีเดียวสองกสินคืออโปกสินกเตโชกสินพร้อมกันก็ไอตัววสีที่เราสวดนะฮะวสีนี้ชํานาญมากเลยแล้วก็ออกมาได้พร้อมกันออกไฟออกมาน้ําก็ออกมาดับไฟแล้วก็เปลี่ยนน้ํามาอยู่ที่ตาขวา ไฟไปอยู่ที่ตาซ้ายอีกอะไรสับกันเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่ายามกปฏิหารคือปฏิหารที่ทําเป็นคู่ๆหรืออาจจะแยกตัวออกมาเป็นคู่หรืออาจจะทําเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมอะไรก็ตอบคือสรุปเป็นคู่กันหมดใช้กรรมฐานสองกรรมฐานในคราวเดียวกันปกติแล้วพระสาวกรูปอื่นทําไม่ได้แม้แต่พระสารีบุตรแล้วการเห็นของพระสารีบุตรในคราวนั้น ก็มาต้องการจะมาแสดงคุณของพระพุทธเจ้าให้ปรากฏนั้นประการหนึ่งแล้วคงจะมุ่งช่วยเหลือไอ้พวกสากยะทั้งหลายที่กำมังไอ้กระด้างกระด้างอยู่เนี่ยว่าดูขนาดว่าไม่ใช่องศาสดาอย่างเดียวแม้ลูกศิษย์ก็เลื่อนลอยมาทางอากาศไ ด, ด้เพราะงั้นก็กำราบพวกสากยะในคราวนั้นไปได้เป็นอย่างดี แต่เรื่องนี้เวลาแสดงอิติดาบทนั้นไม่ได้แสดงที่สมาคมตรงนี้คือหลังจากพระพุทธเจ้าพระญาติวงตกลงฟังพระธรรมเทศนาเรื่องเวสันดรชาดกจบแล้วพวกพระญาติก็ได้บรรลุมรคผลกันมากสมัยนั้นตอนนั้นแต่พระเจ้าสุโทธทนะไม่ได้ได้รุ่งขึ้นเช้าจึงได้บรรลุแล้วก็ถวายให้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นิครธาราม ในโครธารามก็คงจะเป็นอุทยานหลวงไม่คงไม่ใช่วัดอะไรอะ่ะก็คล้ายๆกับพระเวรุวันคือมีมีเรือนหลวงอยู่แล้วแต่จะอยู่มากน้อยหรือเท่าเท่าไรก็ไม่ทราบท่านไม่ได้บอกไปพระเจ้าเสด็จก็ไปประทรับอยู่ที่นั้นภาษาริบุตรพระสงฆ์แล้วก็พวกสักยาระที่เฝ้าอยู่ภาษาริบุตรก็ปรารบเรื่องนี้ขึ้นมาโดยท้าวความมาจากที่ทรงแสดงปาฏิหาริย์ตอนในสมัคมพระญาต แล้วพระเจ้าก็ทรงแสดงถึงการบำเพ็ญบา ร, รมีที่เรียกว่าพุทธจริยาคือการสะสมเพื่อความเป็นผู้รู้การประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นพุทธะของพระองค์ที่เก็บสะสมอบรมมาในรับสั่งเล่าว่าเราจะไม่เล่าไกลขึ้นไปจาก4ี่แสนคือต้องต้องอื่นยกไว้นะฮะทำไมจึงต้องยกไว้เพราะว่ายังเคยเล่ามานานแล้วตอนเล่าเรื่องสุเมศ คนที่จะตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านั้นก็มีอยู่สามช่วงช่วงหนึ่งเป็นแต่พอใจเท่านั้นเองฮะพอใจในการเป็นพระพุทธเจ้าอยู่นานผ่านภพชาตินานแต่ช่วงที่สองนี่ก็เปล่งวาจาอธิษฐานอยากจะเป็นพระพุทธเจ้านะฮะอยากบ้างไม่อยากบ้างแล้วแต่คือบางทีเกิดเกิดเห็นว่าทำยากขึ้นมาก็ไม่อยากพอเห็นว่าคนอะไรได้ดีขึ้นมาก็เกิดอยากอะไรนี่แต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ย เขาเรียกว่าได้รับได้รับการพยากรณ์ในสำแนักของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เรียกนิยตะโพธิสัตว์โพธิสัต ท, ที่แน่นอนคือจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในภพชาติสําหรับท่านเหล่านี้เพราะพื้นฐานทางใจนี้แข็งพอแล้วท่านก็เริ่มมาจากชาติที่เป็นซูเมตซึ่งเคยเล่าไปแล้วออดังนั้นพระพุทธเจ้าก็ตัดเล่ามาเฉพาะตรงนี้คือหลังจากนั้นเป็นต้นมาไ ม, ไม่ได้เล่าเลยไปจากนั้นกระรับสั่งว่าเลยสี่แสนอสงไข่ เอากระบแสนกับทัานยกไว้เราจะเล่าเฉพาะตรงนี้เล่าช่วงใกล้ๆนะเพราะช่วงก่อนก็ก็คงจะไม่แน่นอนอะไรเท่าไหร่เนื่องจากพระไทยยังไม่มั่นคงแล้วไม่ได้อยู่ในประเภทนิยตโพธิสัตว์คือโพธิสัตว์ที่แน่นอนอกิติดาบทนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่าพื้นความคิดแนวเดียวกับสุมเมธที่เคยเล่ารับมรดกแนวเดียวกันแล้วก็ออกบทแนวเดียวกันพวกแนวนี้มีเยอะนะฮะ แนวนี้พระหมหากจัจจะปะพระยสะอะไรอะไรพวกแนวนี้งั้นนะพระ โ, โสรณะโคลิวิสะพระอะไรพระวักกะลิพระอะไรดีเยอะเลยพวกทิ้งสมบัติออกบวชเนี่ยทิ้งสมบัติรับมรดกแล้วไม่ยอมรับมรดกหรือนางธรรมทินนาเถรีอะไรเนี่ยคือรับมรดกคนเดียวนะฮะแม้แต่คนบ้านเราเราแย่งกันจังแล้ฟ้องจังบางทีฆ่าหมกดินกันไปบ้างแล้วแต่นี่ไม่พวกนี้ทิ้งหมดเลย ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการมองนะครขึ้นอยู่กับการมองว่าสิ่งเหล่านี้มันมีค่ามากหรือว่าอะไรมีค่ามากกว่านั้นคนเราบทจะเอาก็จริงเราจะเอาได้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าไปเอาเสียได้ทุกอย่างถ้าลักษณะที่มันตรงกันข้ามอย่างการเป็นพระพุทธเจ้ากับการเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิที่เคยยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าก็ต้องเลือกเอาอย่างหนึ่งซึ่งก็หมายความก็ไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเลือกเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรด แต่การมองทรัพสมบัติในแง่ที่เป็นทางอำนวยความสุขมันก็ได้นะฮะแต่แต่ถ้ามองเป็นทางให้เกิดความทุกข์แล้วเห็นได้ชัดเลยว่าคนเรานั้นถ้าของเรามากเท่าไหร่เนี่ยมันจะเดือดร้อนมากขึ้นเท่านั้นยิ่งไม่มีของเราเลยยิ่งสบายนะก็ไอ้ไม่มีอะไรจเลยในี่คงจะยากหน่อยนะฮะแต่ว่าสาคัญคือจิตใจที่ไม่ยึดถือว่าเป็นของเรา ถึงแม้จะเป็นของเราก็ไม่ได้ยึดไม่ได้ถืออะไรเท่าไหร่ไม่หวงไม่สนีไม่วิตกกังวลกับเรื่องเหล่านั้นจิตใจก็จะสงบลงพระโพธิสัตว์ท่านท่านท่านคิดว่าท่านจะเอาไปด้วยนั้นก็คือแนวความคิดระดับพระโพธิสัตว์ที่มองเห็นว่าสิ่งซึ่งจะติดตามตนไปได้นั้นก็คือบุญกับบาปแต่พระองค์ก็จะเอาบุญไปก็ในที่สุดก็ออกปวดสแสดงให้เห็นลักษณะอย่างหนึ่งว่าการค้นคว้าศึกษาในโลกของมนุษย์เนี่ย ในด้านพัฒนาจิตใจมันเดินก็มันเรื่อยก็มี ล, ลักษณะถ้าเราดูนะฮะดูเราศึกษาประวัติศาสตร์ศาสนาคล้ายๆมันเป็นวงกลมนะ็นวงกลมหมุนแล้วโลกมันจะขึ้นจุดสุดยอดอยู่คราวหนึ่งไม่ว่าทางรูปวัตถุอะไรก็ตามนะฮะอย่างในปัจจุบันนี้เรายังไม่ถึงจุดสุดยอดเพราะยังไม่ได้เข้า เ, เต็มเต็มยศแต่ว่าถึงจุดสุดยอดแล้วเราลองดูนะะอาวุธหมาปะลัยที่รัสเซียกอเมริกาสะสมมาไว้วันไหนออกมาเล่นกันสองคนนี้ออกมาเล่นเมืเสร็จ โลกมันก็พินาศประสบความเสื่อมในด้านวัตถุแล้วมันก็จะเริ่มกอ่อตัวขึ้นมาใหม่หมุนกลับมาอีกใหม่ทีหนึ่งเพราะฉั้นในความรู้ในด้านศาสนามนก็เหมือนกันเราเริ่มดูมาจากกันว่านับถือดินน้ำลงไฟขึ้นหมุนกันมาเรื่อยประนีตขึ้นมาเรื่อยมารื่อยมันถึงจุดสุดยอดคือพระพุทธศาสนาจบหมุนกลับนาะพระศาสนาที่เกิดหลังพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่ามันหมุนกลับแล้วมันมันมันตกอยู่ในด้านต่างๆแล้วตรงตร ง, ตรงมุมต่ําของวงกลมนะ คือมันมันกลับไปอะไรมันกลับเป็นแนวศาสนาพราหมณ์แนวเดิมฮะแนวเดิมแนวพราหมณ์แนวนับถือเทวดาผีสางผู้ศักดิ์สิทธิ์อะไรติดต่อกับทูตสวรรค์อะไรอะไรเนี้ยซึ่งก็เหมือนเดิมกลับมาในแนวของพราหมณ์ซึ่งเป็นเหตุการณ์เมื่อก่อนพุทธกาลประมาณรักสอง0ันปีนี่ก็คือลักษณะทางทางความคิดการพัฒนาในด้านจิตใจมันก็ขึ้นเป็นยุคเป็นสมัยสมัยธนากิติก็ขึ้นอยู่ในระดับาศาสดานะฮะ บางครั้งพระพุทธเจ้าเรียกว่าศาสดาคือเป็นครูเพราะท่านท่านท่านลองดูฮะท่านอยู่ทั้งสองสามแห่งมีบริวารเต็มไปหมดเลยคนออกบวชแล้วก็บำเพ็ญเพียรทางจิตบรรลุรูปฌปานได้ไปติดตามกันไปเป็นแถวไปไห้แต่อาจารย์เองนั้นยังรู้ตัวไม่ใช่เป้าและการสำนึกก็ไม่ใช่เป้านั้นแม้แต่ท่านสมัยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะท่านก็ไปศึกษาในเรื่องนี้นะ ในเรื่องนี้กับท่านอุทกดาบุรรามบุตรที่จบหลักสูตรคือที่อยู่ในสำนักท่านอาราบุตรนั้นก็ยังยังไม่จบดีสมับโลกสมัยนั้นพอมาถึงท่านอุทกดาบุก็จบหลักสูตรในสมัยนั้นแต่ก็ทรงเห็นว่าไม่ใช่เป้าเพราะงั้นพระองค์เป้าของพระองค์จึงอยู่ที่ปรัจพันยุติญาณอันนี้ไม่ใช่ปัพันยุตญาณคือการศัรู เป็นพระพุทธเจ้าที่รู้ทั้งปวงจริงๆหมดกิเลสจริงๆไิงแม่ น, นั่งกดทับกิเลสเอาไว้และรู้ก็ออกหลีกเร้นธรรมะตรงนี้นั้นคือความเป็นผู้เรียกว่ามักน้อยอย่างยิ่งคือสันโดษอย่างยิ่งแล้ก็มักน้อยอย่างยิ่งคือมีอะไรก็กินกันไปมายังมองดูถึงการใช้ชีวิตใช้ชีวิตในที่บางแห่ง เมื่อวานนี้ก็ไปอบรมพระที่สวนดอกที่เชียงใหม่กลับันตอนบ่าย3ามโมงมานึกชาวบ้านเนี่ยมีคนทังแม่เป็นผู้ดีมากเลยแกนั่งตัวกลางน่มานั่งตัวติดกันหน้าต่างพอขึ้นเครื่องบินตั้งลำจุดบุรีสู่กันสองคนเขางงเลยเราหัวมึนหมดแล้วก็เสิร์ฟอาหารเสร็จแกก็จุดบุรีต่อกรุงเทพเชียงใหม่นั้นท่านจะเห็นว่าห้าิบนาทีแกสู่บุรีจะต้องสองมวนน ตูบุรีสองมวนแล้วก็ไม่ได้ดูใครเลยเราลงจากเครื่องบินในจีวรเหม็นมุรีมาเลยไปพูดไปพูดกับพระก็ยังมืนหวยเลยโดนบุรีอัดเต็มที่เลยไนี่เราเราจะเห็นว่าใช้ชีวิตในลักษณะที่มันมันแย่มากนะไม่มีการข่มใจหักข้ามใจนะสํารวมระวังควบคุมไอ้ความอยากต่างๆปล่อยโดยไม่ได้ดูอะไรเลยแล้วก็นั่งขายห้างด้วยนะรองเท้าก็ใสามาเหยียบจีวรนนะมาต่อไปอีกทีหนึ่ง เราก็นั่งเฉยอย่างเงี้ยลองดูมนุษย์โลกนี้สมัยนี้มันจะทําอะไรกันคือนี่คือะแสดงว่าฐานว่าฐานความประพฤติเนี่ยมันไม่มีการควบคุมไม่มีการฝึกปลืกันอะไรกันเลยที่จริงระดับขนาดนี้มันน่าจะ อ, อ, อดกลั้นอะไรเอาไว้ได้แต่ก็ควบคุมไว้ไม่ได้คือการใช้ชีวิตบบสบายสบา ย, บายคือสนองตันหามันร่ําไปอยากกินกินอยากเที่ยวเที่ยวอยากเมาเอยากสนุกยังไงก็สนุก วันก่อนนี้ไปอภิปราทิถีนักคารินไปได้ตัวเลขที่น่ากลัวมาเนี่ยฮะยังเสียวๆอยู่เลยว่ามันใครจะแก้ได้ปนนัญหาเนี่ยคือมีกิจกรรมในใช้หญิงบริการตั้งเท่าไหร่นะฮะในบ้านในเมืองเราเนี่ยสองสแห่งทั่วประเทศมีผู้หญิงที่ทำงานนี้อยู่หนึ่งล้านประมาณหนึ่งล้านหแสนคนยังนึกว่าโอ้โหปัญหานี้เป็นปัญหาวงจรที่มานั่งนึกดูนะฮะ เอามานั่งนึกดูว่าใครจะแก้ปัญหานี้ได้เมื่อวานก็มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขามายกคณะมาสมทบฟังก็เลยก็วิหารวัดสวนดอกกันเลยมันก็แน่นแน่แนกันไปหน่อยแล้วบอกว่าอย่างเงี้ยอย่างว่าเราเอาเด็กเหล่านี้มาเรียนพวกอะเย็ บ, ยบอะไรกี่กระตุกอะไรอะไรเนี่ยมันก็ดีนะที่ยิงฝึกอาชีพให้แก่แต่เมื่อแกจบหลักสูตรแล้วมีโรงงานให้แกทำหรือเปล่าหรือไม่มีโรงงานให้แกทําเนี่ยเรามีทุนให้แกลงทุนหรือเปล่า ถ้าเรามีทุนให้แกลงทุนแล้วเรามีตลาดให้แกหรือเปล่ามีตลาดแล้วคุ้มทุนหรือเปล่าหฮ้ยมันมันยังอีกเยอะเลยมันดูมันเดินมาใครยได้มามองดูมันกระดุดสดุดสดุดยังไงชอบกดมานั่งมองแกด้วยความชื่นชมเออ เ, อเด็กเหล่านี้มันก็ดีนะกลับเงินกับตัวมาได้แต่วนาคตแกละ่ะไม่ใช่ว่าพอเรียนทอผ้าได้แล้วก็ปล่อยออกไปเลยในสุดมันก็เพ่งควางก็คงจะกลับมาที่เดิมส่วนหนึ่งก็คงกลับมาที่เดิม นี่ก็คือการแก้ปัญหาในลักษณะที่โบราณท่านบอกว่าบัตรสวัสดิ์นหน้าบ้านบาทพมันพ้นหน้าบ้านไ ป, ไปตกที่กรมกองอื่นนะกรมกองเราก็หมดไปแล้วยังไงตํานองนั้นแต่ว่าการมองในแนวของพระพุทธศาสนานั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านมองใหญ่สุดเลยคือมองเต็มสั้งสารวัตรเลยนะไอ้ยังนี้อยังงี้ยังงี้ยังยงี้เกิดเหตุปัจจัยขึ้นมาอย่างนี้ อย่างที่คําถามที่ท่านท้าสกะถามอยู่ประโยคหนึ่งว่าทําไมจะต้องไปปรารถนานิพพานอย่างนั้ น, นเนาพราะโพธิสัตว์ท่านบอกว่าโดยก่อนท้าสกะเทวราชการเกิดนะเป็นทุกข์นะแก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์เกิดบ่อยๆมันก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นอาตมาไม่ปรารถนาความทุกข์ล่านี้จึงขอแอะปรารถนาโพธิญาณ นี fort, ่ก็คือเป็นเป็นเป็นการมองเป็นมองในรูปของวงจรมันไม่หยุดเลยฮะมันไม่หยุดเลยไม่ไม่ไม่หยุดทุกเลยมันก็หมุนก็อยู่อย่างเงี้ยเราลองดูว่าตั้งตั้งแต่เกิดมาพฤติกรรมของเรามันก็หมุนอย่างเงี้ยมันก็ท้ำซ้อนซ้อนๆนะะกินกินดมดิหิวหิวนอนนกินกแล้วก็ทำงานแล้วก็หิวแล้วก็นอนก็ยุ่งอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทำอะไรเลยตั้งแต่เกิดมาไ้พฤติกรรมซ้ำซ้อนมันหมุนแล้วเกิดอีกมันก็หมุนอย่างนั้นอีก นะก็เราลองดูว่าตั้งแต่เราเกิดมาเราก็พฤติกรรมสัำซ้อนและเด็กๆ เ, เกิดมาก็พฤติกรรมสัำซ้อนมันก็พระพุทธเจ้าก็มองในะง่ายกับสังสารวัตรเลยนั่นคือมองแบบอาท่านอากิติดาบทนะฮะมันจะท่านกิติอุโทโธนะกิติ <c oughs> คือมองแบบาท่านอากิติดาบทเป็นโลกกระทัดที่มองอีกมุมหนึ่งซึ่งเราจะเห็นว่าคนร ะ, ระดับมหาบุรุษนี้จะมองผิดมนุษย์เขาหมดเลย ทราบสมบัติตั้ง80โกรธไหมมันน่าจะเที่ยวปิกนิกไอเที่ยวทัศนาจรรอบโลกสองสารอบไม่เอาเอ า, เอาไปแจกเขาหมดเลยออกบวชคนห้อมล้อมมากมีบริวารมากแต่ี่จริงกระสนานั่งเตะท่านี่ก็ไม่เอาอีกแล้วนะนี่ก็คือว่าการมองเป็นการมองที่ไอเป้าหมายเราจะเห็นว่าท่านจะรักษาเป้าหมายของท่านตลอดเลยแนวพระโพธิสัตว์เนี่ยเป้าหมายของท่านจะไม่หักไม่หักจากเป้าหมายไม่ว่าอะไรก็ตามนะในชาติเป็นเจ้าชายจิตตทะคงนิสัยเดิม กองน้สัยเดิมไว้เป้าหมายของท่านคือมุ่งสัพพัญญุตญาณท่านอาณาดาดาบทุทกดาบทวนเป็นครูอาจารย์ทางสอนศิลป์ไม่เอาพระเจ้าพิมพิสารชวนบวชวนสเสวยราชสมบัติไม่เอาอะไรก็ไม่เอาฉันจะเอากับฉันตรงนี้ฉันต้องไปให้ได้ไม่ว่าใครจะขัดขวางยังไงอุปสรรคยังไงนี่แน่วแน่เด็ดขาดมากเลยนะลักษณะพระโพติศาสตร์มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่โยกคลอนเลยแล้วใครโยกคลอนท่านไม่ได้เลย เ, เพราะฉะนั้น การปฏิบัติในลักษณะนี้จึงสรุปคําว่ามักน้อยกับสันโดษนะแต่ว่าไอ้มักน้อยกับสันโดษนี่ได้โปรดเข้าใจว่ามักน้อยนั้นใช้สมัครพระนะฮะมักน้อยสําหรับพระสําหรับโยมแล้วไปมักน้อยไม่ได้นะลูกอดนะคือต้องมีลกูกมีครอบครัวที่จะต้องรับผิดชอบพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนชาวบ้านเรื่องมักน้อยเลยพระพุทธเจ้าสั่งสอนให้เก็บสะสมรวบรวมทรมัพย์สมบัติเอาไว้เหมือนการสะสมแห่งจอมปลวก นะแล้วก็เลี้ยงดูบุตรพันยาบาวไพร่า ญ, ญาติพี่น้องครอบครัวให้เป็นสุขสงเคราะห์ส ม, มณะชีพรามอะไรต่ออะไรก็ขยายออกไปแต่ว่าชาวบ้านนั้นสอนชาวบ้านพระพุทธเจ้าจะสอนชาวบ้านเรื่องสันโดษเพราะถ้าคนเราสันโดษได้นะฮะสันโดษแปลว่ายินดีตามมีตามได้นะฮะ คือหมายความว่าเราใช้เราระดมกําลังลงไปโยมมีกําลังคนกำลังทรัพย์สินกําลังทุนสติปัญญาจะสร้างเงินรักพันล้านนะไม่เสียสันโดษแต่ว่าไม่ใช่มากน้อยนะฮะไม่ใช่มากน้อยแต่แต่ถ้าพระไปทําอย่างนั้นไม่ได้ <c oughs> พระเสียธรรมะพระเราจะต้องมักน้อยคือแม้เขาจะให้มากก็ต้องยินดีแต่น้อยเช่นว่าเขารับบาตรเขาตักบาตรนะโยมโยมโยมโย ม, โยมตักบาตรแล้วเต็มแล้วโยม โยมก็อ้อนวอนหงายขวาหน่อยหายขาหลวงพ่อเอาถุงใส่ก่อนใส่ถุงแล้วมาหอเป็นบ้าหอบฟางเลยอันนี้เลยไม่มีตังมักน้อยทังสันโดดแต่ว่าท่านในแง่จริงๆแล้วเนี่ยฮะเราจะไม่ให้เกินไม่ให้เกินที่ที่ที่กำหนดเอาไว้แต่ว่าเนื่องจากเงื่อนไขาทางวินัยมันก็มีอยู่หน่อยหนึ่งว่าข้าวนะเต็มบาทนะ ข้าตุ่มบาทเพราะงั้นถ้าถึงจะง่ายขวาเนี่ยยังพอฟังได้นิดหน่อยแต่ว่าถ้าหิ้วถุงด้วยแล้วก็บินโตแถมด้วยนี่เลิกเลยนะนะไม่ใช่บินธบัตแล้วตอนนั้นนะคือมันก็ต้องแสดงความเป็นผู้มักน้อยด้วยสันโดษ ด, ด้วยแต่วันในที่นี้จะต้องมักน้อยคือไม่ไ ม, ไม่ไม่มกักนะมากนฮะมักน้อยก็ตรงกันตรงกนข้ามกับมากมากนะฮะท่านทั้งหลายลองนึกมกักมากมักมา ก, มากรูปร่างมันเป็นยังไงมักน้อยมันตรงกันข้ามอย่างเงี้ย น, นะฮะคือเขาจะ จะยินดีแต่น้อยแม้เขาให้มากก็ยินดีแต่น้อยแล้วจะสมมุติว่าได้มาอย่า ง, างพระศรีวลีเนี่ยท่านบินทบาลที่ไหนล้วคนล้อมตักทัดท่านไปยังรักษามากน้อยแต่ว่าเมื่อขอศรัทธาต่อท่านท่านก็รับรับแล้วท่านก็จ่ายใหคนอื่นแจกจ่ายคนอื่นท่านก็เป็นศูนย์ก็เป็นทางผ่านเอามายังชอบสมเด็จสังราชราชเนี่ยท่านรับสั่งว่าพระนั้นเป็นทางผ่านนั่นเองพระที่จริงเป็นทางผ่านจริงนะ เราไม่รู้นุ้ยพระนี่รับจังเลยรวยจังเลยนี่สมเด็จพระยานนี่สังกัรราชนึ่งขององคเต็มกุฏิจริงไหมไปโรงไปรษณีย์ผ่านนี่เฉยนะขณะที่รับของมาจากโบสเนี่ยคนรับบริจาคที่กุฏิมาหนาคอยอยู่แล้วนะมาส่งต่อให้ก็อีกทีนึงเท่านั้นเองแต่ว่าเรื่องนี้พระเราไม่เคยพูดกันแล้วเรารู้กันในวงการพระในวงการพระว่าที่จริงแล้วพระเรานั้นเป็นทางผ่านเนทะ่านั้นนอกจากว่าใครบางองค์นะเกิด อยากจะตายเกิดเป็นเลนติดผ้าสบงยีวรอยู่ก็ท่านเขาขี้เหนียวก็ว่าช่างแกนะก็มีไม่กี่องค์หรอกแต่ว่าแท้จริงแล้วพระ เ, าเราจะทําตัวเป็นทางผ่าน่ตลอดนอกจากสงเคราะห์พระเนรภายในวัดแล้วนะฮะยังต้องสงเคราะห์ออกนอกวัดแล้วใครมีบารมีมีวาสนาบารมีมากก็ต้องสงเคราะห์ออกไปมากแต่ต้องทําตัวเป็นทางผ่านนะก็กุฏนะิเล็กๆนะถ้าว่าเก็บรวบรวมจริงๆก็ไม่มีที่จะนอนแล้วนะฮะนี่ก็คือหลักของการมากน้อย แต่ว่าสันโดดนั้นเราสันโดดตามกําลังของเรานะฮะแต่ว่าในการบริโภคใช้สอยก็ยินดีตามสมควรนะยินดีตามที่มีอยู่นะคล้ายๆกับอาหารโต๊ะหนึ่งมันจะมากหรือจะน้อยเราก็ยินดีเฉพาะในโต๊ะ น, น, นั้นเน่ยซึ่งปกติโดยคุมใจไม่ค่ยได้ท่านทั้งหลายลองสังเกตเวลากินอาหารในโต๊นี้สังเกตกิเลสคนได้ง่ายดีสุดเคือคนจะมีความรู้สึกว่าอาหารข้างหน้าตัวเองนี่ไม่อร่อยสักอย่างนีาอาหารข้างหน้าอร่อยจัง <c ười> พอเริ่มตักคาแล้วขอเพื่อนส่งนะที่จริงมันใจมันดิ้นไม่เฉยๆนะใจมันดิ้นไม่เฉยๆมันก็คือคือการ น, นั่นแหละให้ลองสังเกตนะฮะแล้วพิเศษจิตอันนี้นี่นี่ฮะจิตเรามีราคะหรือไม่มีราคะก็รู้กันตรงนี้ฮะมีโลภะหรือไม่มีโลภะนี่สังเกตเวลานั่งโต๊ะอาหารนี่สังเกตได้ทันทีเลยจิตมันเล่นแหละฮะแล่นเลยข้างหน้าตัวเองไอ้ที่หน้าตัวเองมาตักสะดวกสะดวกไม่เอาโน้นเอื้อมช่วยส่งหน่อยนะ S 1> <S 1> เคยสังเกตรหรือเปล่าเคยเจอตัวเองบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะแต่นี่คือลักษณะการดิ้นของจิตมันดิ้นไปเองมันฮที่จริงนี่ก็คือจิตตานุปสนานะจิตเรามีราคะเวลานั้นนะฮะจิตเรามีโลภเรามีราคะมันเกิดขึ้นแล้วมันดิ้นดิ้นผลักมือใ ห, ให้เหยียดเต็มที่เลยบางคนก็ต้องต้องลุกขึ้นนะลุกขึ้นไม่ใช้คนอื่นนะฮะแต่ว่าลุกขึ้นมาไม่ถึงก็ยืนเต็มที่แต่เอื้อมไปเต็มที่เลยสุดแข็ง นี่ก็คือจิตมีโลภะในขณะนี้จิตเรามีโลภะก็รู้ว่าเรามีโลภะแต่ไม่รู้เราตอนนั้นน่ตาลายนะ่ะอยากกินอย่างเดียวก็เลยก็สติก็ระลึกไม่ทันนี่คือจิตที่จริงเ ร, เราจะลืมนะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเราดูคล้ายๆกันเป็นเรื่องสูงที่จริงไม่สูงอะไรนะธรรมชาติตัวนี้มันมันขึ้นอยู่กับการมองแต่นะั่นเองเราจะมองในแง่ไหนอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าการมองในแนวของอนัตตานั้นไม่ใช่ว่า คนอื่นไม่เคยมองคนอื่นเคยมองแต่ว่าไม่ได้มีผลในการพัฒนาอย่างสมัยก่อนรพระพุทธการตอนพวกอารยันเขาตั้งหลักในอินเดียได้แล้วเขาก็มองเห็นอนัตตาแต่อณตาของเขานั้นคือชีวิตนั้นออสับแต่ว่าเป็นการเป็นอนุรวมกันแต่นั้นเองแยกไม่เล่นนะ แ, แยกแยกเหลืออนุนะเพราะงั้นไอ้ดาบมันก็เป็นอนุรวมกันแต่นั้นชีวิตมันก็เป็นอนุรวมกันแต่นั้นเพราะงั้นการฆ่ากันจึงไม่บาป มันเป็นอนูแทรกก็ไปในอนูแต่นั้นเองเละเข้าป่าหายไปเลยก็มองแบบแบบอนณาตานะฮะที่จริงมองแบบอนณาตาย่อยย่อยสังขารออกมาเป็นว่างเป็นศูนย์ไปเลยทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการใช้ทีนี้เราเราจะมองดูถึงว่าไอ้ความมักน้อยกับความสันโดษนะฮะความสันโดษประการต่อไปก็คือในการซื้อหาบริโภคเรียกยาถาสารุปรสันโดษ สันโดษเนี่ยเป็นธรรมะที่มีหลักที่มีถ้าค้ำยันสังคมได้ปัญหาที่เราเดือดร้อนในปัจจุบันคอรัปชั่นกงกินอะไรต่างๆตลอดต้องกินเล็กกินน้อยนะฮะช่อราดบางหลวงกินตามน้ํากินทวนน้าอะไรต่วอะไรหลายหลายหลายวิธีมันเรื่องไม่สันโดษเท่านั้นนะถ้าสันโดษแล้วเนี่ยคนเราจะสามารถทํางานเพื่อส่วนรวมได้แล้วก็จะยินดีเฉพาะสิ่งที่มันเราควรจะได้จริงๆเท่านั้น ไม่พยายามหาเศษนั้นเลยเมื่อชา้าเมือม่อเมื่อเช้า ว, วานเนี่ยไปเจอข้าราชการผู้ใหญ่ยเยอะเลยที่ห้องพักผู้โดยสารเนีนั่งเลคเชอร์กันจนขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็จะบ้าง ก, ก็ล้อมวงมาเราก็นั่งเทศกันย่อยๆตรงนั้นก็เทศมันเรื่อยนักเทศนี่ก็อธิบายเรื่องมันในทำยังไงความคิดคนเนี่ยให้มันอยู่ในจุดที่ขนสายเข้าวัดนะซึ่งอามากํมังเน้นประเด็นขนสายเข้าวัดอยอะมากเลยอันนี้เป็นการมองภาพแคบที่สุดเป็นการทํางานเพื่อส่วนรวม คือเราเสียสละอยาดเหงิ่อแรงงานของเราทำงานเพื่อคนสายเข้าวัดไม่มีกลุ่มผลประโยชน์แต่ว่ า, าทำงานเพื่อวัดแล้วพอขยายออกเป็นมุมกว้างคือทั้งประเทศก็ทำงานเพื่อประเทศชาติกันต่างคนต่างก็เสียสละเพื่อประเทศชาติกันแล้วผลประโยชน์ที่เราจะได้นั้นก็เราได้ตามสิทธิที่เราควรจะได้นะไม่จะสร้างเงื่อนไขขึ้นมาเองเพื่อจะเอาผลประโยชน์จากชาติบ้านเมืองดรท่านนี้รู้สึกจะเป็นรองเลขาฮนะ ลองเลย ข, ขาคนผู้เป็นอนธิการพอดีเป็นอะไรกันหลายคนเมื่อวานเนี่ยก็ว่านั่งล้อมกนอันมาก็นั่งเทศเขาไม่ได้เพราะมาเราที่จริงเขาก็ไม่บูชากันเทศด้วยเราก็เทศไปเรื่อยๆอะก็เราแกติดแกแกยังติดใจในประเด็นนี้นะครับพอเดินพอดีขึ้นเครื่องจะ ก, ก่อนแล้วก็ไปเกิดนั่งห่างกันเลยเลยไม่ได้อธิบายตอบประเด็นนี้ถ้าเรานําสู่ภาคปฏิบัติได้นะโดยพื้นฐานความคิดขนสายขาวัตเนี่ย โยมจะมองภาพใหญ่ที่สุดคือประเทศประเทศคนเราทุกคนทํางานไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตามคิดถึงความมั่นคงของชาติบ้านเมืองคิดถึงประเทศชาติาศาสนาเราทํางานในลักษณะเพื่อเกื้ อ, อกูลแก่ชาติบ้านเมืองเป็นหลักแทนที่จะมุ่งสนองตนนะฮะมุ่งสนองตนเป็นหลักเวลานี้มาใช้คำํำจะสองคำบริการเหนือตนกับบริตนบริการตนเหนือสังคมกับบริการสังคมเหนือตน ปัญหาว่าเราจะเลือกวิถีชีวิตแบบไหนอย่างวิถีชีวิตแบบพระพุทธเจ้านั้นเป็นบริการสังคมเหนือตนบริการพระองค์เองอยู่6ปีบริการสังคมสี่้าปีทุ่มเทชีวิต จ, จิตใจนะฮะทุ่มเทชีวิต จ, จิตใจลงไปจริงๆนั้นเรียกว่าบริการสังคมเหนือตนบริการตนเหนือสังคมก็เฉตีนะรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นนะฮะแล้วก็พยายามที่จะทําอะไรเอาพลาสติกมาปลอมเป็นอะไรล่ะหูฉลามเฉลิมก็ทํากันไปเรื่อยๆนะ อะไรรังนกทกําัอะไรเอามามั่ว ก, กันไปนหมดเอาไปอันนี้อันนี้พวกบริการตนเหนือสังคมสังคมเป็นยังไงกูไม่รู้นะขอให้รวยไปก่อนกันแรกกันนี่คือพวกที่ไม่รับผิดชอบมันปัญหาว่ามันรุนแรงมันโมหะมากมายขนาดไหนโลภจัดขนาดไหนและจะไ ม, ไม่มีความรับผิดชอบตามลงโดยลําดับเลยค น, นนั้นเนี่ยเออประการต่อไปก็คือเรื่องส่ ง, งให้เหตุผลนะที่ท่านให้เหตุผลประการ ท, ที่ควรจะพิจารณาสองประเด็นนะฮะคือเรื่องมันก็ยาว ประเด็นเรื่องคนผ่าณิชย์ลักษณะของคนผ่านิีคนผ่านย่อมแนะนำในเรื่องที่ไม่ควรแนะนำกระทาในเรื่องที่ไม่ควรกระทำนะฮะเขาแนะนำดีก็โกรธคือว่าเวลาเขาตักเตือนคนผ่านนะฮะเขาแนะนำให้ดีโกรธแล้วคนผ่านจึงจึ ง, จ, งจึงไปเกี่ยวข้องคบหาอะไรไม่ได้ส่วนบัณฑิตบัณฑิตนั้นจะแนะนาในเรื่องที่ควรแนะนา จะประกอบในเรื่องที่ควรประกอบการแนะนําดีนะเป็นงานของบัณฑิตแล้วบัณฑิตแม้ใครจะตักเตือนว่ากล่าวอะไรก็ไม่โกรธเพราะงั้นท่านจึงต้องการคบหากับบัณฑิตทีนี้การที่ท่านไม่ต้องการจะไปคลุกคลีกับผู้หลักผู้ใหญ่นั้นที่จริงดีนะไอแนวความคิดเนี่ยคื อ, อใครก็ตามไอใหญ่โตอย่างไรเนี่ยมันมันเราห่างไว้แล้วก็ดีที่สุดเลยห่างไว้อาตมาตั้งตั้งแต่บวชมาไม่เคยอยู่รับใช้ผู้ใหญ่เลยนะ ไม่ห่างแล้วก็ไม่ชิดท่านต้องการจะใช้อะไรเราเรียกมาแต่จะให้เราไปหาไม่มีทางจะไม่ไปหานะฮะจะไม่ไปหาใครแล้วก็อาจาย์จะไปวันเกิดใครไปถึงวันเกิดจะไปขลมาต่ออะไรไม่มีทางฮะไม่ไปแต่ว่าท่านท่าท่า น, ท, านท่านจะให้รับใช้อะไรเราก็รับใช้คือเราไม่ชิดแต่เราไม่ห่างแต่เราก็มีความเคารพนับถือท่านเพื่อทำตัวสบายๆนะฮะ เราไม่ไม่ต้องมีพันธะกรณีอะไรกับใครมากจนเกินไปการไปผูกพันกับท่าส ก, กะสมมติว่าทา่า ก, กะมาท่านเป็นเป็นห่วงใจอย่าอย่าลือกไอ้กิเลสประเภทฌานมันเสื่อมนะฮะกิเลสประเภทฌานมันเสื่อมประเดี๋ยวเทวดามาประเดี๋ยวนาไอ้เทพบุตรมาประเดี๋ยวเทพธิดามาฌานเลยเสื่อมนะฌานเสื่อมเพราะงั้นท่านกลัวใจของท่านนะฮะท่านกลัวใจของท่านไม่ใช่ว่ากลัวกลัวเขาแต่กลัวใจท่านว่าจะหักเห ครุกรีดกันบ่อยๆคุยกันบ่อยๆนะคล้ายๆกับว่าเด็กนักเรียนที่แกมีอุดมการณ์ดีเลยนะตั้งใจะจะเรียนไปอย่างนั้นอย่างนั้นวางแผนไปอย่างนั้นแต่ไปไปเกิด เ, เจอสภา พ, พแว ด, ดล้อมที่น้มน้อมแกเข้าไปในะที่ต่างๆแกหกักลงข้างทางไปแย่เลยนะเด็กๆนี่แกเดินไปสู่เป้าหมายได้ไม่กี่คนนะนั่นเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งแวดล้อมแกเนี่ยมันมันผลักดันความคิดแกเกิดสับสนถ้าใจแกไม่มั่นคงจริงๆใจแกไม่มั่นคงจริงมันก็หักออกนอกทาง ลักษณะเหล่านี้ก็เหมือนกันเล่าเรื่องอะไรเบื้องคนหกคนที่วันก่อนนะฮะที่ว่าพระโพธิสัตว์ไปรับราชสมบัติในเมืองตักสิลาะไปกันหกคนเหลือคนเดียวไปกันหคนเหลือคนเดียวแต่นั้นเพราะอะไรเพราะสภาพไปหล่อมันดูดมันดึงออกไปนอกทางหมดเลยตามให้ติดในรูปบ้างในเสียงบ้างในกลิ่นบ้างในรสบ้างพระโพธิสัตว์ก็เหมือนกันนะฮะท่านเองก็ยังไม่ได้หมดกิเลสมพียังไปกดกิเลสไว้นะรูปปัญชานี่กดกิเลสไว้เท่านั้น แต่โดนมาเอกแทกแรงๆระดับเทพปฏิดามาสวยๆบ่อยๆแล้วก็เสร็จนะฮะธรรดาไอ้ฤาษีก็ฤาษีแหละอยู่ไม่ได้เพราะงั้นวิธีตัดปัญหาแล้าต้องการจะตัดปัญหาแล้วบอกว่าทาาา้าทกะยามาแล้วอย่าสั่งให้ให้ลูกงองน้ำมาด้วยคือห้ามหมดทั้งสองฝายเพราะท่านไม่ไว้ใจตัวเองนี่ก็เป็นวิธีที่ปฏิบัติ้วยความไม่ประมาทนะฮะว่า แตการคลุกคลีด้วยหมู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะหลีกมาตลอดคลุกคลีด้วยหมู่มันจะก่อให้เกิดอะไรเกิดอารมณ์ต่างๆคือการกระทําของคนร้อยคนคนร้อยอย่างร้อยคนคนร้อยอย่างร้อยความคิดพฤติกรรมต่างๆถ้าเราไปเอาจริงเอาจังอย่างงั้นแล้วก็ปวดหัวเลยนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือหลีกจากคนเหล่านั้นถ้าไม่หลีกจําเป็นจะต้องเกี่ยวข้องก็คือใจเราอย่าไปข้องเอาเอาจริงเอาจังมากเกินไปถ้าเป็นั้นแล้วเราเดือดร้อนนะ อย่างเด็กที่กุติอาตมาเนี่ยปกคนมาเด็ก ว, วิ่งหนีหมดเลยมันห ล, ลบหลบไปไหนนะฮะเราก็ต้องทําใจสบายไอ้ไอ้พวกนี้มันก็ได้ขนาดนี้เอวังทำโมเอวังภาวีเอวังอนัติโ <laughs> <ๆ>ตก็ว่าไปเรื่อยๆมันก็ล่วกไปมันมันมันเป็นก็มันอย่างนั้นเองนะแล้วเราจะเอาอะไรกแก่เนื้หาก็เอาเท่านั้นเนี่ยถ้าที่แกที่แกเป็นที่แกทําได้ถ้าเราคืนปวดหัวกแกเราเดือดร้อนแกแล้วก็จบเราจะเดือดร้อนเองเราจะทรมานเอง เมื่อเราต้องจําเป็นจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นคนอย่างนั้นนั้นก็เป็นอย่างนั้นเองฮะหรือว่าใช้อย่างเดียวนี่ฮะเอวังอนาติโตเนี่ยก็ไม่พ้นจะเป็นอย่างนี้มันเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยไม่พ้นเป็นอย่างเงี้ยก็ทําให้สบายใจได้แล้วที่สําคัญก็คือว่าพระโพธิสัตว์นั้นรักษาปณิธานของท่านที่มั่นคงจริงๆนะมั่นคงจริงๆโดยโดยไม่หวั่นไหวกลับกลอก คือเป้าหมายของท่านทําทุกอย่างเพื่อพระนิพพานหมดเลยทำทุกอย่างเพื่อพระนิพพานหมดเลยทีนี้ท่านก็รู้นะว่าการที่นิ่งจะไปนะคงคงไม่ได้ก็มีข้อแม้ไว้นะฮะมีข้อแม้ไว้ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแก่ท่านขอให้เกิดขึ้นโดยธรรมมากท่านไม่พูดถึงมากนะฮะแต่ถ้าจะเกิดขึ้นให้เกิดขึ้นโดยธรรมเพราะแท้รทจริงชีวิตเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนักหนาถ้าหากว่า ผู้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณานะฮะถึงแม้จะมีมากมันก็ทำให้เกิดเป็นประโยชน์ได้แต่ถ้าเราไม่มีปัญญาอาจจะกลายเป็นสร้างภาระความเดือดร้อนวิตกกังวลให้เกิดขึ้นนี่เป็นลักษณะของจริยา ซ, ซึ่งซึ่งซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นกตาพินิหารโรคือมีอวินิหารที่กระทาไว้แล้วนะฮะ ว่านั้นถ้าเรามองปูมิหลังในด้านต่างๆไม่ว่าในแนวของชาดกหรือแนวจริยาบิดดกหรือแนวอาการบันเป็นเพียนก็ตามนะทุกจุดนี่เราไม่เข้าถึงฝุ่นของพระองค์สักเรื่องหนึ่งในความเพียนมันนั่งได้จนยอมตายไม่ ก, กระดิกเลยอย่างนี้เราอะไรก็ถูกก็ยี่สิบนาทีก็แหมลองเมื่อไหรนะในการจะดังนาทีชา้าจริงวันนี้นะก็การนี้เราจะเห็นว่าทุกจุดนะทุกจุดนี่เรายังห่างจากพระองค์มากเลย ก็ก็มีอย่างที่ไหนทิ้งสมบัติ60สิบกูเ่อแปดสิบไปนั่งกินใบหมกักเมาอยู่ในเกาะถ้าถ้าเรามองจากสายตาคนอื่นเราก็จบคือคนอื่นก็จะมองเป็นเป็นเป็นใล้ๆคนนี้แปลกดีหรืออาจจะพิเล็กหรืออาจจะเหมาเอาเป็นอย่างอื่นไปนะแต่ว่ามองจากสายตาของพระโพธิสัตว์นั้นเราจะเห็นว่านี้คือเครื่องขัดเกลากจริงๆแล้วก็ไม่ได้สร้างไอ้ข้อผูกพันอะไรให้สมัตตัวเองต้องวุ่นวายแล้วก็ต้องเพิ่มบาปนะมีแต่ลด มีแต่ลดไม่ได้มีเพิ่มบาปแต่ก็ในขณะเดียวกันก็เพิ่มบุญความดีขึ้นพานจิตตุสันดานของพระองค์นี่ก็เป็นจริยาปิดกในเรื่องเรื่องแรกนะฮะในจริยาปิดกคือการประพฤติปฏิบัติของพระพุทธเจ้าในสมัยอดีตสมัยปัจจุบันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเท่